Duh. -huh. ก็ฟังทรรมนกันการปฏิบัติไปในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องบันพิจารณาโดยเฉพาะก็เรื่องสติกับจิต ถ้าเรามีสติแล้วก็ดูจิตไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปผู้ภาวนาก็จะเข้าใจคำว่าการรู้ใน สภาวะธรรมทั้งหลายพอมีสิ่งใดเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยถ้าเรามีสติที่จ ะ, ะระลึกรู้ตามเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ถูกหลอกโดยเฉพาะจิตของตัวเราเองเ ก็จะไม่หลอกแต่ถ้าเราไม่เข้าใจก็เหมือนกับถูกหลอกถูกหลอกก็คือคำว่าเมื่อจิตเข้าไปรู้แล้วเราก็ไปยึดมั่นมากเมื่อไรเนะี่ย ความโกรธมันก็เกิดความโลภก็เกิดความหลงก็เกิดความพิไรรำพันความโศกเศร้าเสียใจก็เกิดแต่ถ้าเราจเจริญสติอยู่ตลอดเรารู้โยมได้ดูหรือได้ศึกษาในประวัติ ในชาดกเรื่องพระเวสสันดรเราจะเข้าใจนะตั้งแต่พระองค์ยังเยาว์วัยอยูนะ่ก็มีใจน้อมไปสู่การบริจาคถาดพอ มีพระชนมายุมากขึ้นมาอีกก็รู้สึกว่าการให้ทานที่พระองค์เคยให้อยู่ดูเหมือนว่ายังเป็นทานภายนอกก็เข้าไปทูลขอเสด็จพ่อว่าอยากจะบริจาคทานให้ยิ่งกว่า โดยเฉพาะเป็นฐานภายในแม้แต่ดวงตาอาวัยวะเมื่อใครปรารถนาก็จะมอบให้นี่ถึงขนาดนั้นนะพอพระองค์ได้มีพระชนฟันษาหรือมายุมากขึ้นจเจริญ ด้วยวัยขึ้นเรื่อยๆนะก็ได้สร้างทานบารมีอย่างยิ่งนะเป็นวัตถุทานทั้งหมดไม่ว่าอะไรแม้แต่ผู้ที่คอยดูแลพี่เลี้ยงเครื่องประดับที่พระองค์มีก็ถอดให้กันทุกคน นี่คือบารมีของผู้ที่ท่านเกิดมาเพื่อสร้างบารมีจริงๆตนะั้งแต่ทรงพระเยาว์จนได้ขึ้นครองศรีราชสมบัติตั้งอยู่ในทศพิษ ร, ราชธรรมธรรมที่มีทาน ก็อยู่ในทศพิธทำที่ไม่เบียดเบียนก็อยู่ในทศพิธทำที่ไม่สมควรจะโกรธท่านก็จะข่มไว้ก็อยู่ในทศพิธท่านบอก อ, อจาคาการสละ น, นี้ก็อยู่ในทศพิธมีจิตใจโอป อ, อมอารี บอกชีวิตที่ท่านตั้งไว้อยู่โดยธรรมเนี่ยก็ได้อนุเคราะห์เกื้อกูลต่อเราประสกนิกรทั้งหลายก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยบ้านเมืองอีก เมืองหนึ่งก็แห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤ ด, ดูกาลสุดท้ายก็มาขอช้างคู่บ้านคู่เมืองคู่บารมีของพระเวสสันดรสุดท้ายก็มอบเป็นช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองแต่ประชาชนก็เกิดความไม่พอใจ ที่เอาช้างคู่บ้านคู่เมืองของสีพีไปให้ไม่พอใจก็ไปทูลต่อพระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระราชบิดาของพระเวสสันดรที่สุดก็ลงโทษลงทัน ให้ขับไล่ออกจากเมืองสีพีไปขนาดช่างคู่บ้านคู่เมืองคู่บารมีของตนก็ให้ประชาชนก็ร้อนใจว่าต่อไปบ้านจะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็โกรธแค้นกันหรือไม่พอใจสุดท้ายก็ถูกลงทัน ก็ให้ขับไล่ออกส่วนนางมัซรีก็ขอตามไปการหาชาลีก็ตามไปกทากว่าเป็นการออกเนคขมมะสัมมาปฏิบัติธรรมอย่างเต็มตัวไปสู่นูเขากิบชกูฏ ก็ไปมีอาสมบำเพ็ญบารมีต่อใโยมดูแล้วกันว่าผู้ที่ท่านไม่ติดยึดหรือว่ามีสติรู้แจ้งจิตกำหนดได้ตลอดเนี่ยท่านไม่ได้มีความติดอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้หลงอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ต้องบอก ท่านไม่ทุกร้อนเลยท่านบอกสิ่งที่ท่านทําไปท่านบอกเป็นการทําที่ถูกต้องโดยชอบธรำแล้วเพราะอะไรท่านบอกถ้าเกิดว่าช้างเนี่ยได้ช่วยเหลือให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลของแว่นแคว้นอื่นเท่ากับเราก็ได้ช่วยปัดเป่าบําบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับอนาประชาราษ ได้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากจากความแห้งแล้งจากความแรงแค้นจากพืชทัญญะหารก็จะได้เจริญงอกงามพัยบูตรท่านบอกท่านยินดีที่จะทำแม้สิ่งนั้นใครจะกล่าวว่าท่านเป็นผู้ทำผิดท่านก็ยินดียอมรับผิด จะให้โทษอย่างไรท่านก็ยินดียอมรับโทษก็ยมคิดดูบอกเออไม่ทุกร้อนเลยแม้กระทั่งตอนออกจากเมืองนะอย่ังทำบุญครั้งใหญ่ก็เรียกสัตตะมหาทานก็คืออย่างละเจ็ดร้อยไม่ว่าไม่ว่าโคไม่ว่าทาสีทาสาธาตุทั้งหลาย ปลดปล่อยให้เป็นทานบารมียกให้ชาว บ, บ้านก็รักไม่ยช่ไม่รักรู้ว่าพระองค์ในดีแต่ว่าก็ไม่พอใจตรงที่ว่าของคู่บ้านคู่เมืองก็กลัวกันสุดท้ายขนาดออกมาแล้วก็มี ก็เรียกรถมา้าเนี่ยหรือจะบอกราชรถก็แล้วแต่ะ่ะระหว่างเดินทางทั้งลูกทั้งเมียทั้งพระองค์ไปก็ยังถูกพรามาดักคออีกก็ยินดีให้ให้ตัวเองก็เดินบอกับให้รถคนอื่นแล้วตัวเองเดินแทนเดี๋ยวคิดเนี่ย และให้แบบเต็มใจเรายินดีมอบทานนี้ให้ด้วยความเต็มใจโอุยมดูว่าจิตในขณะให้ทานทําทานเนี่ยใช้คําว่าเรายินดีที่สละทานนี้ด้วยความเต็มใจคนฟังยมคิดว่าเลื่มสักขานาดไหน แล้วการให้ทานยมดูจิตอย่างนั้นเนี่ยโอ้โห و, ไม่ธรรมดานะไม่ใช่อภไยทำไปงั้นๆรำคาญเกรงใจกลัวถ้าไม่ให้เราจะเกิดปัญหาเนี่ยแต่นี่ไม่บอกเรายินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่จ ะ, อะมอบทานนี้ให้ พอเราทำทานเราก็รู้สึกอิ่มเอเิบเบิกบานใจที่เราได้ให้ทานบารมีไปโอ้โหจิตอย่างนี้โยมต้องใช้คำว่าไม่รู้คูณบุญไปเท่าไหร่เพราะในระหว่างธรรมกุศลจิตก็เกิดมหาทานอย่างมหาศาล เมื่อทำเสร็จแล้วก็ยังอิ่มเอิบเบิกบานปีติปราโมทยินดีต่อทานที่ตนได้สละแล้วนะโอ้ทำมาว่าสุดยอดของผู้ที่ทำทานที่มีจิตหรือมีหัวใจการบริจาคทานแบบสมบูรณ์จริงๆท่านโยมเวลาให้ทานทำทานเนี่ยนะ ในคุณค่าทานที่ยมให้เท่ากันเนี่ยแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ยมยินดีเต็มใจแล้วก็เบิกบานแลืวขนขวายในการให้ทานอย่างมีความสุขมีศรัทธานในการให้ทานต่อบอกสุดยอดเลยต้งบอ ก, ญญอบอกโอ้ ถ้าคนให้ทานไม่เข้าใจก็งั้นๆแหละก็บอกแต่นี่ไม่เรายินดีและเต็มใจพร้อมที่จะมอบทานนี้ให้โว้จุดนี้จะมาว่าต้องคูณไม่รู้กี่ร้อยเท่านะที่กุศลมหากุศลนี้เกิดพระองค์แม้กำลังที่ ถ้าเป็นทางโลกถ้าเราไม่เข้าใจมันกับเรากำลังสูญเสียทรัพย์กำลังสูญเสียแม้แต่รถคันสุดท้ายที่ต้องเดินทางไกลก็ยังถูกขออีกก็จะรู้สึกบีบคั้นโศกเศร้าเสียใจหมดอะไรตายยากอย่างนี้เป็นต้นแต่นั้นพระองค์ไม่ บอกเราเดินเพื่อจเจริญขันติบารมีวิริยบารมีโอคนที่มีธรรมรักษาเนี่ยไม่หลุดเลยนะไม่หลุดเลยไม่หลุดจากธรรมเลยออกจากทานก็มาศีลออกจากศีลก็ไปจากฆาออกจากจากฆาก็มาสมาธิออกจากสมาธิก็มาปัญญา ออกจากปัญญาก็มาขันติออกจากขันติก็มาวิริยะออกจากวิยญาะก็มาอุเบกขาไม่ออกจากรธรรมต่มาบอเออถ้าเราศึกษาแล้วก็มองในเก่นธรรมนะเราจะเห็นได้ว่าโอ้พระเวทสันดร ไม่ธรรมดาพอทาเสร็จทุกครั้งโยงรมรู้ไหมพระองค์ะระลึกถึงอะไรขอให้ความปาารถนาโพธิญาณจงสำเร็จประโยชน์หรือสมประสงค์ดังที่ได้ตั้งไว้ไม่ได้ขอเพื่อโลภโกรธหลงไม่ได้ขอเพื่อตัวตนแต่ว่าขอเพื่อความรู้แจ้ง อันนำไปสู่ความพ้นทุกข์ที่จะนำโมเหล่าวินสัต ท, ทั้งหลายได้เห็นตามด้วยสุดยอดเลยการอธิษฐานแบบมไม่ธรรมดายมเชื่อว่าในโลกใบนี้ยังมีผู้ทําบุญและยังรู้สึกความปีติปราโมทย์ ยังมีผู้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าในพระองค์ใด พ, พระองค์หนึ่งเนี่ยในอย่างบางคนมาเรื่มใสศรัทธาพอได้มองเห็นก็มีความปรารถนาว่าขอให้เราได้เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง แต่พวกเราจะได้ยินแค่ว่ามีผู้ปรารถนาบำเพ็ญความเป็นผู้ธเจ้าใช่ไหม mm hmm. การบำเพ็ญกว่าจะเป็นผู้ธเจ้านี้ก็โอ้ยากแต่ก็มีสิทธิที่คนใครก็ได้ศรัทธาเลื่อมใสที่ปรารถนาแล้วก็มุ่งมั่น ก็มีสิทธิ์ที่ยินดีในการปรารถนาพุทธภูมิได้แต่จะได้หรือไม่ได้นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าจะได้ต้องถูกพยากรณ์จากพุทธเจ้าก่อนแต่ความปรารถนานั้นเป็นมหากุศลลจิตก็สามารถทำได้แม้จะเป็นพระอรักษ์พระ อัคระมหาสาวกทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรก็ตั้งความปรารถนาได้เอกคัต t แต่ละรูปแต่ละองค์เนี่ยล้วนมีความปรารถนาจำานงมุ่งหวังไว้แล้วทั้งนั้นไม่ใช่อยู่ๆปุ๊บแต่ได้เลยปั๊บนะต้องบำเพ็ญมากกว่าอารหารันธรรมดา องค์อื่นอาจจะฟังธรรมดาบรรลุไปแล้วแต่ผู้ที่ปรารถนาอย่างนี้ยังต้องบำเพ็ญบา ร, รมีอีกเพราะอะไรเพราะกิจนั้นยิ่งใหญ่การบำเพ็ญนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาต้องสั่งสมบา ร, รมีจริงจะได้ผู้เป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่งของพระพุทธเจ้าในพระองค์ใด พ, พระองค์หนึ่ง ที่ตั้งความปรารถนาเหมือนกันสตรีบางคนก็พอได้กุศลศรัทธาเกิดก็ปรารถนาว่าต้องการเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าในพระองค์ใดพระองค์หนึนะ่งแต่จะได้หรือไม่ได้ก็ยังตอบไม่ได้ก็อยู่ที่บารมีการบำเพ็ญ แต่ถ้าใครปรารถนาอย่างนี้ก็โอ้โหแต่มาว่าต้องสร้างบา ร, รมีกันแบบไม่ธรรมดาเหมือนกันชาติระกูนนี้ก็ไม่ธรรมดาการให้ทานก็ไม่ธรรมดาการรักษาศีลก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาภาชนะต้องสะอาดเท่านั้นที่จะรับของสะอาดได้ เพราะพุทธเจ้าที่จะลงมาปฏิสุนทิในคันของสตรีใดเนี่ยผู้นั้นต้องสมบูรณ์ไปแล้วด้วยศีลแล้วก็สิ้นจากการราคะด้วยไม่ธรรมดาฉะนั้นบารมีตรงเนี้ย เมื่อพระเวสสันดรไปบปำเพ็ญอยู่ที่เขาคิพชกูฏจุดนั้นก็บอกให้เห็นชัดว่าออกเนกขมะสัมมาปฏิบัติธรรมคือออกจากเรือนออกจากกามออกจากวิสัยของการแข่งแย่งแย่งชิงอยากได้อยากมีอยากเด่นอยากเป็ น, อ ย, น, นอยากนั่นอยากนี่น่ะทุกอย่างได้คลี่คลายหรือได้สงบลง บำเพ็ญพรดบำเพ็ญเพียพรบาเพ็ญฌ า, านเจริญสติเจริญอบรมจิตเห็นไมโยมไม่ได้ติดว่าเออเราเป็นพระราชาบัดนี้เราตูกขับไร่แบบต้องมานั่งตรอมใจกระอักเป็นเป็นเลือดลิ่มออกมาเป็นแท่งแท่งเนี่ยไม่นั่นคือการเจริญสติ ที่ดูจิตอันจเจริญอยู่ด้วยกุศลมหากุศลไม่ได้มองอยู่ด้วยความเป็นตัวตนมองอยู่ด้วยเป็นทรัพสมบัติว่าเที่ยงหรืออำนาจว่าเที่ยงหรือว่าศสนาติดอยู่ในสุขในโลกียสุขไม่จุดนี้โยมลองพวกเราต้องเอามาพิจารณาว่ามีข้อต่างกันยังไงกับเรา จิตของเราทำไมจึงเศร้าหมองทำไมสติของเราจรึงระลึกไม่ได้เราเรผลอไผลตอนไหนเราหลับไหลไปยามใดต้องดูไปเรื่อยๆการภาวนาว่าเราติดยึดในสิ่งไหนทำไมใจจึงไม่ปล่อยวาง ในเรื่องของบุคคลเรื่องสถานที่เรื่องวัตถุเรื่องเข้าของเรื่องทรัพสมบัติเรื่องทายาททุกอย่างต้องดูไปเรื่อยๆพอกำหนดรู้แล้วก็ดูจิตของเราไปเนี่ยโยมจะเข้าใจจะเข้าใจพอเราเข้าใจเสร็จ ผู้ภาวนาทุกคนจะยินดีด้วยทานด้วยศีลด้วยสมาธิและด้วยจิตตานุปัสสนาแห่งการภาวนาในความดับโลภโกรธหลงฉะนั้นพวกเราภาวนาปฏิบัติ ถ้าไม่ได้ดับโลภโกรธหลงให้เบาบางลงนะแสดงว่าเราไม่ได้เจริญสติไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อยู่ในธรรมเลยถึงบอกว่าถ้าเราหลุดจากธรรมเมื่อไรมันก็เหมือนกับเรากำลังไปสู่นรกทันทีจิตดวงนี้ถึงยังไม่ตายนะร่างกายไม่ตายแต่จิตเนี่ย เหมือนตกนรกทั้งเป็นที่เขาว่ากันเกิดความเร่าร้อนเกิดความกระวนกระวายกระสับกระส่ายนั่งก็ไม่เป็นอันจะนั่งยืนเดินก็ไม่มีความสุขเลยอยู่ด้วยความหวาดกลัวอยู่ด้วยความผวาอยู่ด้วยความเขา่าหรืออยู่ด้วยความ เคลบเคลิมอย่างเงี้ยหรือจิตอยู่กับความพยาบาทอย่างนี้เป็นต้นไปไม่ได้ไปไม่ได้พอเราเอาสติตามลึกรู้แล้วที่บอกยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถน้อยใหญ่นะ เราจะรั้วเดินอยู่กับ ร, รมกินอยู่กับศีลนั่งเดินภาวนายอยู่จิตอันมีสมาธิเรารู้แล้วเสียงที่จะแบบปรปอมเข้ามาเนี่ยเราเร า, เรารู้จิตไหนเป็นมานจิตไหนเป็นพระจิตไหนละจิตไหนวางจิตไหนยึดมัน่นมาจิตไหน เป็นเหตุแห่งทุกข์จิตไหนเป็นการดับทุกข์เรายิ่งเริ่มศึกษารู้จิตไปเรื่อยๆถึงบอกว่าสติกาหนดจิตไว้นะบางคนก็เข้าใจว่าจิตฉันไม่สงบฉันทำไม่ได้บอกโอ้อยากเข้าใจแค่ว่าสติดูจิตแค่สงบไม่ว่าอะไรจะเกิดอะไรจะเห็นอะไรจะรู้อะไรจะได้ยินอะไรสัมผัสอะไรลิมรองก็ตามเราต้องเจริญสติ แล้วก็ดูไม่ใช่ดูธรรมดานะดูแลรักษาจิตด้วยอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้เขาคบคนพาล น, นำทางไปทางผิดให้เลือกคบบัณฑิตจะนำทางไปทางผลไม่ได้เราต้องประคองดูไป ถึงบอการภาวนาเราจะรู้ว่าเราติดยึดมากแค่ไหนถึงบอกเอาพระเบสันดรมาเราพอเทียบได้ถึงบา ร, รมีเราเอาว่าบำเพ็ญไม่ถึงขั้นนั้นแต่อย่างน้อยทานบา ร, รมี จารคะเนี่ยเราต้องมีทานเรารู้จักบริจาคสิ่งของแต่จาระคะเนี่ยอะไรที่จะเป็นค่าศึกของเราเราต้องรู้จักสละสิ่งที่เป็นค่าศึกถ้ามีความตรณีตรงไหนเราก็ละมีความผูกเิดพยาบาทตรงไหนเราก็สละสิ่งที่เป็นค่าศึกในใจของเรา จะว่ายากกับตรงนี้นะจะว่าไม่ยากกับตรงนี้อยู่ที่ว่าผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติเรายินดีอยู่กับภูมิไหนถ้ายินดีอยู่กับภูมิธรรมยมก็อยู่กับธรรมะหลุดจากข้อหนึ่งยมก็ไปอยุยข้อใหม่ ผ่านขันติไม่ได้ยมอยู่กับวิริยะผ่านวิริยะได้ยมกระโยชน์สมาธิผ่านสมาธิได้ยมอยู่กับเมตตาผ่านเมตตาได้ยมอยู่กับศีลผ่านศีลได้ยมอยู่กับอะไรนะเราจะไม่เปื้อนเลยขเขเรียกมีธรรมรักษาพอปฏิบัติไปเราก็มีธรรม ร, รักษามีศีลคุ้มครอง สติเราไม่เศร้าหมองเนี่ยคือเราะระลึกรู้ทุกอย่างถายมวัวเป็นของเขาของเราของมึงของกูของข้าของเองพอเรามากมากเข้าเนี่ยจะเป็นข้าศึกจะทะลวงจิตเราโดยเราไม่รู้ว่า เขามีกําลังที่จะคมขูให้เราเราเกิดความกลัวได้แต่พระเวทสันดอนไม่กลัวเห็นไหมไม่กลัวเรายินดีที่จะประทานให้หรือมอบให้แล้วก็มอบด้วยความเต็มใจเมื่อมอบแล้วทานนั้นเรา มีความปรับปรื่มพอใจในทานที่เราให้ยมว่าสว่างไม่ล่ะจิตอย่างนั้นแค่ฟังก็เห็นภาพแล้วโอ้เป็นผู้ดับเย็นลงแล้วจนถึงสุดท้ายบารมี ถ้าเป็นธรรมดานะพ่อแม่ลูกในะยมถ้าตกตกรกรรมลำบากขนาดนันนอนป่านอนต้องไปกินผลไม้กินมันกินเผือกกินแห้วอะไรก็ว่าไปนะก็จะคิดถึงว่าเราเคยมีความสุขเราเคยมีอำนาจเราเคยมีผู้รับใช้เรามีบริวารมากมายเราจะชี้นิ้วชี้ไม้ยังไงเราก็ได้ แต่พระเวสสันดรกับมาวั ด, ดีแล้วล่ะเราจะได้ปลีกหลีกบำเพ็ญพศบำเพ็ญตำบาปเพื่อโพธิญาณของเราเห็นไหมลูกเมียมาก็มองว่าเออลูกเมียเราก็มาบำเพ็ญบารมีเพื่อให้เราไม่ต้องมีความ ห่วงลำบากก็ได้บำเพ็ญบารมีพร้อมหน้าพร้อมตาพอถึงอีกจุดหนึ่งชูชกมาขอขอท่านมาขอลูกให้เป็นคนรับใช้ยงคิดมีพ่อคนไหนตระกูลสูงสัก ผู้มีวันณะอยู่ในกษัตริย์ต้องมอบลูกให้กับขอทานที่มีโรคเรื้อนเพื่อเอาไปเป็นโกรใช้ชุโชกกระทำด้วยตัณหานะเพราะนางอมิตาดาเนะี่ยก็โดนภรรยาของคนในหมู่บ้าน ด่าทอจะทุบเขี่ยนตีเอาไปทําให้สามีเขาเกลียดตัวเองหมดเพราะว่านามิตรตาณนี้ขยันดูแลสามีแก่เท่าตักน้ำตักท่าตําข้าวคุ้งข้าวเช็ดบ้านผ่าฟืนทำเองหมดแต่เมื่อก่อนผู้ชายเหล่านั้นต้องทำผู้หญิงนี่ไม่ทำ มีแต่คมมีแต่ครูมีแต่ไปข้างนอกแล้วกลับมาว่าเสร็จหรือยังก็เรียกว่าให้ผัวทำแทนพ อ, อมิตาตามาก็บรรดาสามีทั้งหลายได้เห็นว่าผู้หญิงอย่างนี้จึงจัดใช่ที่จะเป็นภรรยาก็รวมตัวปฏิวัติภรรยาทุกครัวเรือนภรรยาก็ต้องกลับมาทำงานรับใช้ก็โกรธแค้น นามิตาตาก็ไม่กล้าออกจากบ้านถ้าจะให้อยู่ต่อก็ต้องหาคนมารับใช้ให้ทำแทนนางนางไม่ทำอีกแล้วชูโชกก็สั่์งกงกลัวเมียที่รักเมียสาวเจนนีรีบหออผ้าหอ่อผ่อนจรลีไปทันทีขึ้นสู่เขาคิบชกูดไปขอพระเวสสันดรลูกทั้งสอง ชาลีและกันหาชาลีเป็นคนพี่กันหาเป็นคนน้องชายหญิงออยอมวาให้ไหมให้ให้เป็นทานให้ด้วยความเต็มใจแล้วก็บอกลูกว่าให้ร่วมบา ร, รมีกับพ่อด้วยเพื่อได้บรรลุโพธิญาณในที่สุด ในการให้ทานครั้งนี้ด้วยให้ลูกทั้งสองโมทนารำเพรียนทานกับพ่อด้วยให้ความสําเร็จนี้จงเกิดขึ้นชาลีกันหาที่แรกก็วิ่งหนีหลบลงน้ําไปหลบที่สระบัวขอพ่อรู้ว่าอยู่ไหนลูกขึ้นมาเถอะให้ลูกบำเพ็ญบารมีให้พ่อได้สําเร็จโพธิญาณด้วย การให้ทานครั้งนี้เป็นการบำเพ็ญโภธียาตคือทุกอย่างสละได้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่ภรรยานางมัดสีถ้าขอก็จะให้อีกเทวดาก็ร้อนใจไม่ไหวแล้วเดี๋ยวใครมาขอให้ก็ต้องแปลงร่างลงมาก่อนแล้วก็มาขอแทนไปสันดอนก็ให้ บอกให้ก็ตามอย่าไม่เอาไปก่อนฝากเอาไปเนี่ยถึงบอกโอ้ทำไมจิงไม่ทุกข์ร้อนใจทำไมจิงไม่ถึงบอกจิตนั่นอยู่กับธรรมะแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวที่ทำได้ด้วยถึงบอกบารมีสูงสุดไม่มีอะไรแล้วที่ต้องให้ทานหมด สละบ้านเมืองได้ลูกเมียได้ชีวิตตัวเองก็ได้ไม่ใช่ว่าสละคนอื่นและตัวเองไม่ไม่กล้าสละนะตัวเองก็พร้อมที่สละมีสูตรว่าแม่เสือให้หิวนะตกลงไปในเหวนะตัวเองรู้ก็ได้ยินเสียงเสือร้องก็ลงไปให้เสือบำเพ็ญบาละมี ให้เสือกินของพวกเราเห็นเสือมาแต่ไกลก็โยมตัวไขรตัวมันแล้ะกดไปที่หนึ่งบาทไปทางจีวรสามไตไปคนละทางไปเจอกันที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะไปเจอที่แถวชนบุรีก็ได้ลงปากอ่าวไปเลยวิ่งกันไม่ล้วสบงหลุดกระช่างวันเถอะให้ผ่านเสือไปก่อนเพราะอะไรเพราะเราไม่พร้อมบารมีเราไม่ถึงขั้นนั้น แล้วก็จริงๆอาตมาเจอก็หลบได้ก็เป็นหลบหลีกได้ก็เป็นหลีกถ้ามีต้นไม้บกขึ้นได้ขึ้นไปก่อนแล้วกันแน่จริงก็อย่าตามมาถ้าแน่จริงหนีไปไกลๆบุงเล็บบกอาตมากลัวแต่ถ้าบารมีคนถึงเนี่ยเสือจะมอบเอง ไม่กล้าแต่ถ้าถึงบารมีที่บำเพ็ญในภพในชาติที่ต้องชดใช้ด้วยกันอาจจะต้องใช่ใช่พระเคยเดินป่าเห็นเคยทราบว่าโดนช้างป่าเหยียบตายก็มีหรือฟาดตายก็มีไปเจอกันแบบ เหมือนเป็นคู่เวรคู่กรรมกัมาแต่ปางไหนก็ไม่รู้แต่ช้างที่ได้พบพุทธเจา้าเนีโอ้ต้องมาคอยดูแลป้องกันภัยทั้งหมดแม้แต่ยกน้ำยังใช้งวงยกดูแลสีไฟสีอะไรเออ นั่นเป็นบารมีที่พระองค์ได้สร้างมาแล้วแล้วพระองค์ก็เกิดในระชาตินี้เป็นมาไม่รู้เท่าไหร่ละเป็นมาหมดแล้วไม่ว่านกไม่ว่าเก้งกวางไม่ว่าจะเป็นช้างไม่ว่าจะเป็นทุกอย่าง พ, พอถึงจุดหนึ่งก็มอบหมดเลยทีนี้โยมคิดดูว่าบารมี เต็มเปลี่ยมแล้วเรียกเป็นปรมัตถบารมีก็เหลืออย่างเดียวคือตัสรุจากปุตุชนคนธรรมดาบารมีจนสูงสุดว่าเอาวพระอินท์เนี่ยจะต้องคอยติดตามแล้วคอยดูแลคอยให้บรรดาเหล่าเทพเทดาทั้งหลายในทิศ ท, ทั้งสีในมือจักรวาลต้องดูแล ย้า้บันเข้ามาทำลายในการบำเพ็ญบารมีย้า้เกิดความกัดสนในการบำเพ็ญบารมีย้าเกิดความภัยทั้งหลายย้ายเกิดมีถ้าใครไม่ดูแลรักษาปกปักแล้วก็ถือว่าเสียโอกาสแล้วเวลานั้นจะได้บุญมหาศาลยมจำได้ไหมในสุด เป็นสัมมณีนพระสารีบุตรไปบิณฑบาตพระพุทธเจ้าต้องมายืนรอบอกอย่าเพิ่งเข้าไปบอกทำไมล่ะถ้าเข้าไปตอนนี้สัมมณีนที่จะบรรลุอาจจะไม่ได้บรรลุอย่าไปรบกวน ทิ่ทั้งสี่มีผู้ดูแลเลยนะให้พิสุไปย้ายไข่เข้ามาให้ผ่านเวลานี้ไปก่อนตรรมาก็ดูเข้าใจเหมือนไก่กำลังจะจะฟักะจะกำลังจะฟักไข่พอดีกกไข่แล้วไข่กำลังจะออกมาเป็นตัวถ้าตื่นตกใจหนีไปซะก่อนแล้วก็ ไม่ได้อุณหภูมิกำลังดีอายุกำลังได้พอดีพอสําเร็จเสร็จพระเจ้าบอกเข้าไปได้แล้วทุกอย่างมันก็มีมีเลิกยามเวลาจริงๆไม่ได้ถือเลิกยามเวลาแต่มันมีเวลาอาอย่างสัมเณ็จรูปหนึ่งที่จะต้องไปตายโยมก็ทราบอายุหมดต้องกลับบ้านไปบอกพ่อแม่ แต่ในเวลานั้นเนี่ยมีปลาตัวหนึ่งดิดดิ้นขึ้นมาจากน้ำฝนตกแล้วก็ลงน้ำไม่ทันยังเล่นเพลินอยู่มั้งสั ม, มเณรก็เห็นก็จับปลาแล้วเอาไปปล่อยลงน้ำชีวิตสา ม, มเณรที่จะต้องตายกับรอดเพราะด้วยกุศลแห่งการให้อายุก็คือให้ชีวิต สมเด็จก็เลยมีอายุมีชิตอยู่ต่ อ, อกมันมีเวลามีการมีสมัยพอดีเป๊ะบุญก็ต่อบัลมีก็ต่อเห็นไหมองคุริบานถ้าพระพุทธเจ้ามไม่ไปต่อก็กลายไปฆ่าแม่เป็นอนันตริยกรรมไม่สามารถบรรลุถแถมต้องตกนรกก่อนแต่เวลานั้นเนี่ย บุญเขาถึงเข้าไปในข่ปัญญาของพระพุทธเจ้าอาโยมดูดินักฆ่าล่านิน้วมือผมไม่มือเนี่ยไปเข้าข่ปัญญาของพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าจริงต้องมาโปรดถ้าไม่โปรด พ, รพุทเจ้าบอกบุตรแห่งเราเนี่ยจะต้องทําอนันตริยกรรมจะหมกไหมลงสู่นรก ห้ามมรรคผลด้วยก็ไปโปรดเกตแมโยมบอกเออทุกอย่างมันมีมันมีช่วงของมันโยมจำได้ไหมก่อนที่พทะเจ้าจะตรัสรู้ตรัสยังไงรับสั่งไงแม้จะเลือดเนื้อจะเหือดแห้งกระดูกจะผุ ก, กร่อนถ้าเราไม่ตรัสรู้โพธิญาณแล้วเราก็จะไม่ลุก จากบัลังก์การบำเพ็ญนั่นหมายถึงว่าอาธิษฐานถ้าไม่บรรลุก็คือว่ายอมตายแต่ทําไมตอนบำเพ็ญทุกขะกิริยาจริงไม่ตรัสเช่นนี้ก็เพราะการนั้นยังไม่ใช่เวลายังไม่ใช่ยังไม่ถึงพระองค์รู้ว่าอย่างแต่พอทราบว่าครั้งนี้ จะเป็นที่สุดแล้วเราจะได้บรรลุริงอธิษฐานความวอกแวกทั้งหลายก็หมดแต่ว่าถ้าเราไม่ถึงจุดนี้ก็อย่าให้เป็นไปตามธรรมชาติตามธรรมชาติถ้าแรงเกินมันเหมือนเรารับแรงดันไม่ไหวมันก็จะแตกระเบิดไม่ได้แต่พระองค์ถึงแล้ว รู้แล้วว่าต้องบรรลุจริงตั้งปฏิญญาณไว้พอมีใครคิดทำตามเนี่ยไม่ได้ก็มีลูกศิษย์อยู่องค์หนึ่งก็ัรว่าถ้าไม่บรรลุเป็นอาราหารันจะไม่กินข้าวอีกเลยผ่านไปเจ็ดวัน ทะลุเล ย, ยทะลุแก้ผ้าหมดแล้วจีวรไม่ใช่ของอัตมาสังขาก็ไม่ใช่ของอัตา ม, มาสบงก็ไม่ตา ม, มาอังสะไม่ใช่ของตา ม, มาทุกอย่างตา ม, มาปล่อยวางว่างหมดแล้วเดินเดินกายจ้นไปเนี่ยมันมันมันเป็นเดรัจฉีไปแล้วนะมันไม่ใช่ มันต้องเป็นบรญญาไม่ยช่แก้ภาาหมดแล้วบอกปล่อยวางนั้นไม่ไม่มีความละอายแล้วนะแต่ไปเข้าใจอีกแบบนึงว่าเราไม่มีความติดยึดแล้วไ ม, ไ, มไม่ใช่จุดท้ายก็มีปัลาดหลายเดือนเป็นปีต้องกินยาต้องรักษาแล้วจิตตัวนั้นก็ไม่ยอมคลายนะ ยังบอกตัวเองบรรลุอีกบรรลุเจอใครก็บอกบรรลุบรรลุแล้วแต่จะมามองนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเพราะอาการนี้ไม่ได้สํารวมอีกแล้วมันมันมองแล้วมันศีลก็ดูแล้วว่ามันไม่แล้วไม่ไม่ได้รักษาแล้ว พระวาจาที่กล่าวออกมากก็เพอ้อเจอ้อแล้วไม่สติที่กล่าวก็ไม่ได้ะระลึกสัพชัญญะก็ไม่ไม่มีแล้วออท่านไปกดดันตัวเองมากกระโดดลงสะตูสะอนุดาตูวโนดาตึ้นเดินจ้อนมาเลยโยมเพียนก็ ไปแล้วเว้ยตัวใครตัวมันเจอแล้วหันอย่างเงี้ยไปแล้วยุงก็หันหนีเหมือนกันธรรมาเห็นธรรมาก็จะหันเหมือนกันบอกไม่ใช่ละ <c oughs> นั่นเขาเรียกว่าท้องไม่แก่แล้วจะให้คลอดเมื่อยังไม่ถึงคลอดก็ผ่าท้องออกมาอยากแค่อุ้มลูกไงสุดท้ายก็เป็นลูกกอกเล็กๆแต่ว่าไม่มีชีวิต ก็คือตายเป็นโมฆะเป็นโมฆะไปถึงบอกหน้าเสียดายแต่ตอนนี้ท่านก็ดีแล้วบทบทเรียนครั้งนั้นก็ทำให้ท่านได้สงบไปเยอะไม่ใช่ว่าเราขยันเพียรภาวนาปฏิบัติแล้วก็เราต้องกะให้บรรลุเลยเนี่ย ที่จะมารู้อย่างหนึ่งก็คือทุกอย่างมันต้องเกิดจากจิตที่มีสมภาวะแห่งสติที่ระลึกรู้แล้วก็จิตก็เห็นแจ้งสติระลึกรู้จิตเห็นแจ้งสติระลึกรู้จิตเห็นแจ้งสติระลึกได้จิตรู้แจ้งเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันตลอดก่อนมันต้องมีสิ่งที่มาสัมพันธ์มาเศดสีจึงเกิด ปฏิกิริยาในในธรรมตรงนั้นเราต้องรู้สติระลึกได้จิตรู้ตามสติเ ล, ลิกได้จิตรู้แจ้งหรือจิตรู้แจ้งสติระลึกตามมันต้องมีสองอย่างเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาหรือมันมีการเกิดประกายขึ้นมาไม่ใช่อยู่ๆแบบบึ้งเลยมันไม่ใช่นะมันต้องมีการอบรมสภาวะเนี่ยมันต้องตื่นรู้ก่อนก้พุเจ้ารู้มาตลอด เส้นทางว่านั่นไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่ที่สุดก็คือเช่นนี้เองพระองค์ก็เลยเพียรทางจิตจิตพระองค์ก็พร้อมตั้งแต่สละตอนเป็นชาติพระเวสสันดรแล้วสละละจนเป็นปรมาบารมีธรรมไปแล้วสามสิบบารมีนิเต็มเปลี่ยมแล้วเพียงแต่พระอคน้อบารมีที่บำเพ็ญมาทั้งหมดแล้วก็ระลึกได รู้แจ้งเห็นจริงเนะี่ยบุเพนิวาสานุสติยารู้แล้วว่าอดิตชาติเราบอเพ็ญยังไงมาจิตของพระองค์เป็นไงรู้แล้วกรรมที่ได้สร้างไว้ผลแห่งกรรมเป็นไงผม ก, ก็รู้หมดแล้วบเออนั่นแหละจิปบ ก, ก็แค่มันกรัมารวบรวมเรียบเรียงให้เป็นฉบับเป็นเล่มขึ้นมาเมื่อก่อนกระจัดกระจายโดยประมาณนั้นพระองค์ก็รวบรวมเรียบเรียม ก็สมบูรณ์แบบเป็นศีลสมาธิปัญญาภาวะธรรมทั้งหมดพงศ์ก็รู้หมดแล้วไม่ใช่เราไปบีบคั้นตัวเองนะว่าฉันจะต้องรู้อย่างนั้นฉันแพ้คนนั้นไม่ได้คนนั้นบรรลุฉันจะต้องบรรลุกว่าคนนั้นมีศีลฉันต้องมีศีลกว่านั่นเป็นทิฐิมานะเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ คนบรรลุเขาไม่มุทะลุแล้วนะเป็นไปโดยก็แล้วความดับเย็นจิตที่ผ่อนหมดแล้วผ่อนวางหมดมันเหมือนสมมติว่าเราเคยเป็นหนี้เราผ่อนจนหมดแล้วอิสระแล้วนั่นคือจิตที่หลุดพ้นจะไม่มีสิ่งมาเกาะแก่อีกเลยความกังวลไม่มีละมันเราผ่อนหมดแล้วผ่อนผ่อนผ่อนจนหมดแล้วหนี้สินหมดนั่นแหละคืออิสระเรารู้แล้ว มันได้ชดช้ชดชจนหมดแล้วเราเรารู้แล้วภาวะตรงนั้นจะเกิดเออรู้แจ้งแต่ตอนนี้ถึงโยมรู้ยังไงก็ตามเนี่ยมันเหมือนหนี้ยังไม่หมดปลดยังไม่ได้กำลังยังไม่พอยกยังไม่ขึ้นโ ย, ยงก็ต้องหากำลังมายกให้ได้เปิดปากทํานี่ให้ออกเปิดไม่ออกก็เข้าไปไม่ได้หรือถูกขังอยู่ในถ้าต้อง หาทางออกให้ได้ถ้าออกไม่ได้ก็ยังถูกขังอยู่เหตุผลมันต้องรู้อยู่เรารู้อยู่ภายในของเราเพอเข้าใจปุ๊บถูกจิตรู้จิตภายในจิตทำรู้ธรรมภายในธรรมจิตเราอยู่ในธรรมข้อในเรารู้ในปฏิบัติจเจริญอนุสติเรารู้ตอนนี้เราระลึกถึงคุณพระพุทธอยู่เรารู้ต่อนนี้ข้างนอกก็เปิดเพลงดังตู้มทุ่มอยู่นะแต่จิตเรารู้แล้ว เรามีพุท ธ, ธานุสติเป็นอารมณ์คนไม่เข้าใจข้างบ้านเขาก็เต้นกัน ต, ตึ้งดังดึ๊งดังดังแต่เรานั่งเรารู้แล้วเราไม่ได้ไปกับเพลงแต่เราจเจริญอยู่ด้วยอนุสติหรือเราลึกถึงธรรมอยู่หรือกําหนดถึงศีลอยู่หรือเรากําหนดถึงเทพธยดา หรือในคุณธรรมของฮิริโอตปะแห่งเทวธรรมอยู่ถ้าโยมภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆนะธรรมาว่าพอสติะระลึกได้จิตรู้รู้แจ้งตามสติะระลึกได้จิตรู้ตามหรือจิตที่รู้แจ้งแล้วสติก็น้อมไปนั่นจึงบอกสติจิต ชีวิตกับธรรมพอถึงเวลาแล้วไม่มีอะไรมากที่พูดมาทั้งหมดเหลือสั้นๆย่นย่อที่ศีลสมาธิปัญญาย่นย่อที่สุดก็คือลมหายใจกับชีวิตแล้วก็มีธรรมะที่รู้แจ้งภายในจิตของเราเองสุดท้ายยมจะรู้แล้ว เรารู้แล้วโลภโกรธหลงเนี่ยครอบงำเราไม่ได้เราเบาบางตั้งแต่ตอนไหนเราเริ่มรู้แล้วความโกรธเรานี่เมื่อก่อนขนาดนี้ตอนนี้ลดลงไปเพราะอะไรพรยมไม่เพิ่มเชือ้อต่อให้กองไฟจะแรงแค่ไหนถ้าเชื้อไม่เพิ่มไม่นานปีอยู่แม้ไฟนรกก็ต้องดับ ด้วยเมตตาภาวนาด้วยทานศีลภาวนาดับการใครที่ยังนอนดิน้นรนฝันได้ร้ายอยู่ภาวนาไปเรื่อยนั่งทำสมาธิแผ่เมตตาไว้พระส่วนมนติส่วนกุศลไม่นานวันใจโยมจะใจเย็นลงศรัทธาจะมั่นคงสติจะดำรง ก็ไม่หวั่นไหวต่อไปยมจะเจอโลกกระทํามาในแบบไหนยมรับได้ตาเห็นเอรูปหูฟังเสียงใจรู้จมูกดมกลิ่นยมรู้หมดแรงยังไงก็รับได้แล้วแต่เราไม่แรงตอบเพราะอะไรเพราะเราไม่ใช่เป็นผู้ผูกเวรหรือเราไม่ใช่คือผู้ก่อเวร ท ย, ยมได้สองคติเนี่ยตมาบอกตมามีความสุขพอเข้าใจธรรมะในระดับหนึ่งแล้วเราไม่ใช่ผู้ก่อเวรแล้วก็ไม่ใช่ผู้ผูกเวรคนอื่นก่อมาเราก็ไม่ผูกแค่เราก่อขึ้นมาเราก็ไม่ก่อและบาปกรรมมันจะเกิดยังไงโยมว่ามันก็อาศัยหัวใจที่เน่าๆตรงนั้น เ, นเกิด หัวใจที่เราร้อนหัวใจที่โลภโมโทโสมันจะเกิดแต่ถ้าจิตเราเย็นเมตตาภาวนาอยู่มันเข้ามาเราก็เห็นแล้วเราเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเรารู้เข้ามาใช้ดัดการ เจริญสติฟังธทรรมปฏิบัติเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานะรู้แล้วรู้ตื่นแล้วก็รู้แจ้งเหมือนเรากำลังใช้หนี้อยู่นะกำลังผ่อนชำระพอหมดเมาาื่อไหร่โยมจะรู้ว่าเออเราอิสระจากเรื่องนี้แล้วนะเออเหมือนยกภูเขาออกจากอกที่เขาว่า เหมือนตนพ้นจากนารกไปสู่สวรรค์แล้วเออเรารู้แล้วแล้วยมจะกลับไปอีกไหมล่ะในเมื่อยมตกกองโคดรมูดแล้วยมก็ดิ้นรนเพื่อให้ขึ้นมาพอยมขึ้นมาได้ทีนี้มีใครใอยากจะกลงไปอีกไหมล่ะไม่มีต่อให้พรักก็ต้องสู้กันสุดฤทธิ์ก่อนแหละสุดฤทธิ์สุดเดชยังไงๆก็ไม่ลงไปหลุมคูดแล้ว มีแต่โยมจะต้องล้างตัวเดินออกห่างห่างไปเรื่อยเรื่อยรื่อยเรื่อยรืยนั่นคือเรามีปัญญาและเรารู้แล้วทางที่จะเดินทางที่จะไม่เดินเห็นไหมเส้นทางของจิตโยมโยมรู้แล้วจะเดินยังไงจะไปอยู่กับกงจักรหรือจะไปเส้นทางที่เป็นดอกบัว เรื่องนี้จะมาเคยมันกับแต่เป็นนิมิตหรือเป็นการถูกถามนยโยๆก็ไปปรากฏขึ้นไปที่กว้างโล่งใหญ่เหมือนท้องฟ้าดีๆนะมันก็มีมีหมอกบางๆปะทะกายแล้วก็อยู่ๆก็เหมือ น, นกับมีสิ่งมาปรากฏให้เป็นภาพสะพานยาพูน แล้วมีผู้ยืนอยู่ที่ทางสามแพ่งเขาถามว่าพระกุศเจ้าจะไปไหนจิตบอกจะไปเมืองดอกบัวใช้คำนี้เนระาจะไปเมืองดอกบัวก็แปลกดีนะเป็นภาษาที่ เราไม่เคยพูดไม่เคยรู้จักจะไปเมืองดอกบัวมีระยะมงเมืองดอกบัวมีเดีอุบลนะี่คือแต่นี่เป็นเมืองดอกบัวพอพูดกับ๊บกับเขาหลีกให้พอหลีกให้ในโอเป็นทางทอดยาวแต่เหมือนเราไม่ได้เดินมันกับเคลื่อนไป ก็แปลกดีมันมันเหมือนเคลื่อนไปโดยโดยเราไม่ต้องเคลื่อนไหวนะแต่ว่ามันเคลื่อนไปเพียงแต่เรารู้รว่าเคลื่อนแล้วเวลาพูดไม่ใช่ใช้ปากพูดนะจิตเก็บวาจาทั้งหมดไ้ใส่แซงแกล้งมายานี้เลือกจีรจารตาอ่วยเพื่อให้ได้นั้นได้นี่แต่ใจอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ที่ว่าอะไรใจเชื่อเฉือน แต่ปากในพูดหวานหวานเงี้ยจะไม่มีมันเป็นภาษาของมัน เ, นเองอ้าถึงเวลาโยมจะรู้ว่าจิตภาษาจิตเนี่ยจิตพูดได้เป็นภาษาเขาเองไปในเมืองดอกบัวมันก็แปลกเี่ย ตะบอกเรื่องถ้าเราปฏิบัติไปมันเหมือนเส้นทางที่เราเดินะยมก็ต้องพบ อ, อะไรบ้างหละเจออะไรบ้างเห็นอะไรบ้างแหละแต่ทุกอย่างเราต้องมีสติแล้วก็จบตรงนั้นอย่าแบกอย่าหามอย่ายึดอย่าเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าของจริงมันเกิดอะไรขึ้น เราก็ไม่ต้องยึดหรอกแค่รู้ก็พอแล้วก็วางเพราะความดับทุกข์สุดท้ายไม่ใช่คือ ส, สิ่งที่เราต้องยึดติดกับสิ่งใดแต่เป็นสิ่งที่เราได้ปล่อยวางแล้วพอเข้าใจคานี้แล้โยมจะผ่านได้ทุกอย่างมันหลอกไม่ได้นิมิตกี่ร้อยนิมิตหลอกโยมไม่ได้แต่ถ้าเราติดอยู่กับสิ่งใด รักชอบเกลียดชังยมจะติดกับสิ่งนั้นไม่ได้เขามีหลายวิธีย่อให้โกรธพอไม่โกรธก็ต้องย่อให้หลงร้อนเผาไม่สำเร็จก็เอาน้ำแข็งมาละลายเสทเาเก่งเขาวิธีเมื่อทำร้อนไม่สำเร็จทำให้เย็นเห็นไหม เขามีหลายอย่างมันก็ฉลาดแต่ถ้าเราอยู่กับสติระลึกอยู่กับธรรมแล้วจิตเราปฏิบัติธรรมอยู่เราจะมองเห็นถึงเราไม่เห็นใจเราก็รู้ว่ามันเป็นเปลือกนอกแต่ข้างในของเรานี่ ไม่ยินดีและไม่ยินร้ายแล้วเนี่ยเป็นคำทุกอย่างก่อนที่จิตจะไปเข้าไปถึงอีกจุดหนึ่งก็ต้องมีจิตอันเป็นอุเบกขาก่อนไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายเราปฏิเสธสิ่งที่จะเกิดไม่ได้แต่เราจะไม่ยินดีและไม่ยินร้ายถ้ายอมเข้าใจสิ่งเหล่านี้ กิจของโยมต่อไปที่บอกโพดชงเจ็ดเลยเนี่ยไม่ได้ยากเลยสติโพชชงอะไรก็สมควรเวลาก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทิน